ชีวิตของพวกเรามีองค์ประกอบอยู่ห้าส่วนด้วยกันแต่และส่วนนี้เราเรียกว่าขันขันแปลว่าส่วนภาษาโบราณเขาเรียกว่าขันขันไม่ใช่ขันตักน้ำขันนี้มีท่อทงการันเรียกว่าขันห้า ขันห้าคือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราคือหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณ น, นี่คือองค์ประกอบที่ทำให้พวกเรามีขึ้นมาได้องค์ประกอบคือขันหานี้ รูปได้แก่ร่างกายที่มีอาการ32ที่เราสามารถเห็นได้ด้ว ย, วยตาเปล่าเห็นเราเห็นสิ่งที่เราเห็นกันส่วนที่เราเห็นของที่เป็นชีวิตของเราก็คือร่างกายเราเห็นรูปรูปประค์รูปนี้มีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆ อันนี้ส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปรขันธ์อีกสี่ส่วนนี้เรียกว่านามขันธ์เพราะว่าเป็นส่วนของที่เรามองไม่เห็นนามนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจของเราคือเวทนาความรู้สึกเชนรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกไม่สุขไม่ทุกข์นี่ เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสได้เห็นรูปก็รู้ว่ารูปนี้เป็นใครเรียกว่าสัญญาแต่บางทีก็อาจจะจำไม่ได้ถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นอะไรเป็นใคร สัญญาบางทีก็ถ้าเคยจำถ้าเคยเห็นก็จะจำได้ถ้าไม่เคยเห็นก็จะจำไม่ได้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนี่กสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งที่ภาษาปัจจุบันเราใช้คำว่ามโน ชอบมโนกันเรือเกินคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าเขาดีกับเราคิดว่าเขาไม่ดีกับเราเรียกว่าสังขารความคิดปุงแต่งวิ ญ, ญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายพอพอลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นรูปเห็นรูปก็คือภาพ่ย ธรรรูปนี้ไม่ใช่ร่างกายคือภาพต่างๆที่เข้ามาที่ตาเห็นนี่เรียกว่าภาพหรือเรียกว่ารูปแล้วพอภาพมาสัมผัสกับตาวิญญาณก็ไปรับเข้ามาที่ส่งเข้ามาที่ใจนี่คือขนันห้าหน้าที่ของขนันห้ามีทำหน้าที่ต่างๆกัน ขันหานี้เราก็สามารถที่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่ารูปประขันกับนามปะขันรูปประขันก็คือร่างกายที่เราเห็นนี้เรียกว่ารูปประขันส่วนนามปขันนี้คือความรู้สึกนึกคิดคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่ง วิญญาณผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอาการสีนี้ขันสีนี้เราเรียกว่านามขันคำนามขันนี้บางทีเราเรียกโดยรวมว่าจิตใจจิตใจจิตใจมีนามขันเป็นส่วนประกอบมีรูปมีมีเวทนาความรู้สึก เวทนานี้ไม่ใช่เวทนาสงสารเดี๋ยวเราเข้าใจผิดบางทีคาว่าเวทนาเราใช้กันแปลว่าหน้าเวทนาสมเพศเวทนานี้ไม่ได้หมายความว่าสมเพศแต่เรียกว่าความรู้สึกเช่นเวลาเราสุขนี่ก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาเราทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาอย่าง อดมินไปฉันาอาหารเป็นพิษก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอถามอดมินว่าสุขไหมตอนที่อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษก็ทุกขเวทนาอเวลากินอาหารใหม่ๆตอนนั้นสุขไหมสุขเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นพิษตอนนั้นได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารที่ถูกใจก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา แล้วพอมันเข้าไปในท้องมันก็แผงลงฤทธิ์ออกฤทธิ์มันก็เลยทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอันนี้คือเวทนาสัญญาก็คือจำได้ว่าอ๋อไอ้ น, นี่ที่มันทุกข์ก็เพราะว่าไปกินอาหารที่เป็นพิษมาเ น, นี่ยสัญญาสังขารก็เลยปรุงแต่งว่าต้องไปหาหมอหายาแล้ว นี่คือความคิดเนี่ยมันทำงานพร้อมๆกันไปด้วยกันมันเกี่ยวข้องกันร่างกายกับจิตใจมันมาอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนสามีภรรยาจิตใจก็เลยต้องคอยดูแลร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรจิตใจมันก็จัดการแก้ไข เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายาหาหมอมารักษาแต่การจะรักษาร่างกายได้นี้ก็ไ ม, ม่ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ทุกทุกครั้งทุกเวลาบางเวลามันก็ไปเจอโรคที่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายถ้าไปอยากจะให้มันหาย มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ความทุกข์อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดถ้าเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้นี่คือธรรมชาติของร่างกายคือมันไม่แน่นอน บางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปเสมอเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยอยากจะดูแลรักษามันตามความอยากของเรา ความอยากของเราก็คือเราต้องาการให้ร่างกายแข็งแรงใช่หมเนี่ยทั่วโลกบ้าเรื่องสุขภาพร่างกายไหมวิ่งกันวิ่งกันจนเครียดรักษาสุขภาพจนเครียดเพราะว่ามันก็รักษาได้ในขีดหนึ่งพ อ, อพอถึงระดับหนึ่งมันรักษาไม่ได้มันก็ต้องเจ็บของมันไปตามวัยของมัน มันก็ต้องแก่ชรลาไปตามวัยของมันแต่ใจที่ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเลยอยากให้มันแข็งแรงเพราะอะไรเพราะใจต้องอาศัยร่างกายนั้นเองอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาสุขขเวทนาสุขขเวทนาเกิดจากอะไรก็เกิดจากเวลาที่ ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี้เองพอตาได้สัมผัสกับรูปที่ชอบเนเจออาหารที่ชอบนี่สุขไหมเห็นอาหารที่ภาพที่เขาถ่ายไว้ในเมนูนี่เห็นอาหารใจก็ชอบเกิดพอได้กินอาหารนั้นก็เกิดสุขเวทนา นี่คือวิธีหาความสุขของใจหาผ่านร่างกายหาผ่านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยมันเป็นตัวที่มาผสมกันทำให้เกิดสุขกวเวทนาแต่ความต้องการของใจคือต้องการความสุขกวเวทนานี่มัน เป็นได้บ้างเป็นไม่ได้บ้างเพราะอะไรเพราะเวทนามันก็ไม่แน่นอนบางทีคิดว่าได้ความสุขพอกินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นอาหารเป็นพิษขึ้นมาสุขเวทนาที่ได้จากการกินอาหารก็กลายเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดความเจ็บท้องขึ้นมาปวดท้องขึ้นมา อันนี้ก็เรียกว่าทุกขเวทนาแล้วนอกจากการเจ็บท้องเจ็บที่ร่างกายเจ็บที่ท้องแล้วใจยังไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้หายเจ็บพอเจ็บหรืออยากไม่เจ็บอยากให้หายเจ็บใจก็ไม่สบายขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่สบายทางร่างกายแล้ว ยังต้องมาไม่สบายทางใจอีกชั้นหนึ่งเพราะความหลงของใจที่ไปหลงคิดว่าตนเองสามารถที่จะหาแต่สุขเวทนาได้สามารถกำจัดทุกขเวทนาได้แต่พอมันเป็นมันอยู่จะสั่งให้มันหายทันทีมันไม่หายกว่าจะหายก็ต้องใช้เวลาใช้ยา และบางทีก็ไปเจอทุกขเว ท, ทนาที่รักษาไม่หาย mm. เช่นปวดท้อง mm. คิดว่าเป็นคิดว่าอาหารเป็นพิษหมอบอกว่ามีมะเร็งในลำไส้น mm. ทีนี้ mm. นอกจากทุกขเวทนาที่ลำไส้แล้ว mm. มีเวทนาทุกขที่ใจอีกการหนึ่งทุกเพราะอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่เป็นมีการอยากให้เป็น มเลงในลําไส้กันบ้างไหมพอรู้ว่าเป็นแล้วเป็นยังไงใจก็ทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะอะไรเพราะความอยากเพราะรู้ว่าถ้าร่างกายเป็นนะ้เดี๋ยวร่างกายมันต้องตายหรือร่างกายมันจะไม่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงที่จะไปหาสุขเวทนาให้กับใจได้เหมือนเมื่อก่อนใจเลย กลัวใจเลยทุกขึ้นมาเพราะใจไปหลงรักร่างกายอยากให้ร่างกายนี้ดีแข็งแรงอยู่ไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นเพราะความหลงหรือความโง่ของใจที่ไม่รู้จักธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรรู้แต่ไม่จดไม่จํากัน พวกเราทุกคนรู้ใช่ไหมว่าต้องร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ทําไมเราจึงไปปฏิเสธมันทําไมไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เพราะความต้องการของเรามันขัดกับความจริงของร่างกายนั่นเองความต้องการความอยากของเราเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายทําหน้าที่หาความสุขให้กับเรา แล้วพอมันแก่มันเจ็บมันตายนีมันไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับเราได้นั่นเองทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจเราก็ดือ้อใจเราก็ยังอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะอยากจะใช้ร่างกายไปเรื่อยๆใจมันไม่ตายไงมันก็เลยอยากให้ร่างกายไม่ตายไปกับใจด้วยอยากให้ร่างกายาแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเวลาไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยความอยากเหล่านี้เกิดจากอะไร เกิดจากความโง่ของใจหรือความดื้อรั้นต่อความเป็นจริงของร่างกายพวกเราจะว่าโง่ก็ไม่เชิงจะว่าฉลาดก็ไม่ใช่ที่ว่าไม่โง่ก็เพราะรู้ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ไม่ฉลาดที่ทำไมไม่ยอมรับว่ามันต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมไม่ยอมรับเวลามันแก่ ทำไมไม่ยอมรับเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมไม่ยอมรับเวลามันตายเราไม่ฉลาดเราไม่โง่แต่เราก็ไม่ฉลาดเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายอันนี้มันขัดกันขัดกับความเป็นจริง ความที่ใจเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมดูความจริงก็เลยทำให้ใจทุกเวลาที่ร่างใจต้องร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปการที่เรามาศึกษาขันห้านี้ศึกษาเพื่อมาสอนให้ใจรับความจริงของร่างกายให้ได้รับความจริงว่าร่างกายนี้ มันจะต้องอแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ต่อให้ออกกำลังกายดีขนาดไหนวิ่งวันละกี่สิบกิโลสมัยนี้เข้าบ้ามีเครื่องวัดการวิ่งการเดินใช่ไหมเนี่ยวันนึ่งต้องเดินอย่างน้อยห0ื่นเก้าสขภาพถึงจะได้แข็งแรง วันไหนเดินไม่ถึงหมื่นเก้าก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาอีกเ พ, เพราะแสดงว่าจะไม่สามารถรักษาความแข็งแรงของร่างกายไว้ได้อันนี้มันเป็นความโง่ฉลาดแต่โง่ฉลาดรู้ว่าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถ้าเดินวันละหมเก้าขึ้นไปร่างกายจะแข็งแรงแต่มันก็แข็งแรงในวัยที่มันจะแข็งแรงเท่านั้นแต่เวลามันแก่มันก็ไม่แข็งแรงอยู่ดี เอาให้เดินหมื่นก้าหรือเดินแสนก้าอมันถึงวัยของมันมันก็จะต้องไม่แข็งแรงนี่คือความหลงของใจที่ไปหลงกับวิธีการดูแลเลี้ยงดูลักษาร่างกายให้แข็งแรงต่างๆด้วยวิธีการต่างๆแต่ดูแลยังไงมันก็หนีไม่พ้นแก่เจ็บตายอยู่ดีแล้วก็เลยคุก เดี๋ยวนี้ทุกข์เครียดกันนะทุกข์เครียดกับการออกกําลังกายกันนะวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายหน่อยเครียดขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้ ว, ก ล, วกลัวแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวต้องเป็นอะไรไปแล้วทั้งๆที่ไม่เคยคิดเลยว่าออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายมันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้นะไม่ช้าก็เร็ว มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนนี่คือสิ่งที่ใจไม่รู้จักสอนตนเองคือพยายามฝืนความจริงพยายามหนีความจริงพยายามที่จะต่อสู้กับความจริงสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะความจริงนี่เป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่หญส่วน ใจที่ฝืนความจริงนี้เหมือนกับไม้จิ้มฟันนะไม้จิ้มฟันจะไปงัดท่อนไม้เนี่งัดไงก็งัดไม่ขึ้นหรอกในมีแต่ไม้จิ้มฟันมีแต่จะหักไปเรื่อยๆหักก็คือเสียใจทุกใจเวลาที่จะต้องเจอความแก่ต้องเจอความเจ็บต้องเจอความตายยการมาศึกษาขันห้านี้ก็ศึกษาเพื่อให้เรา ปล่อยวางร่างกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกันเราจะควบคุมให้มันสุขคเวทนาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะให้เรามีความรู้สึกนึกคิดที่สุขไปทั้งวันก็ไม่ได้ บางวันก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่สบายใจบางวันก็มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีก็ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปสัมผัสรับรู้นั่นเองวันไหนได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจเราที่ตรงกับความต้องการของเราวันนั้นก็มีแต่ความสุขใจ เช่นช่วงไปเที่ยวนะช่วงไปเที่ยวนี้ได้แต่ไปสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นยลดที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอกลับมาทํางานมาสัมผัสกับรูปเสียงกิริยลดที่ทํางานมันก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวโดนเจ้านายว่าบ้างโดนเพื่อนตําหนิบ้างโดนคนนั้นขรหานินทาบ้างความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นมา ความทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมาขันห้าคือจึงสรุปก็คือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้จะไปควบงควบคุมร่างกายให้มันดีให้มันสุขไปตลอดเวลาไม่ได้จะไปควบคุมความรู้สึกนึกคิดคือให้มันสุขไปตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของมัน ความรู้สึกนึกคิดมันก็จะเปลี่ยนจากสุขไปหาทุกจากทุกไปหาไม่สุขไม่ทุกหมุนไปเวียนมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี้เช้าก็ขึ้นมาทางทิศตะวันออกกลางวันก็อยู่ที่เหนือศีรษะพอะตอนเย็นก็ตกลงไปที่ด้านทิศตะวันตกเราจะไปสั่งให้อาดวงอาทิตย์นี้อยู่ ต้องกลางศีรษะไปทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนไปตามตามธรรมชาติของเขาเออเออชีวิตของพวกเรานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือความสุขความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปมันสลับกันมาสลับกันไปเหมือนกับคนที่มาเยี่ยมเยียนเราเออวันไหนคน ที่มาหาเราเอาข้าวเอาของมาให้เราวันนั้นเราก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาวันไหนเขามาทวงข้าวทวงของทวงนี่วันนั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอถ้าเราเป็นหนี้พอเจ้าหนี้มาแล้วเป็นรู้สึกยังไงสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานี่แหละคือชีวิตของพวกเรามันเปลี่ยนไปสลับกันไปสลับกันมา ตามเหตุการณ์ที่มันไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราฉลาดนี่ถึงแม้ว่าเราจะเจอความทุกข์ที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ทําให้เกิดความทุกข์เวทนาขึ้นมาแต่เราสามารถที่จะห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับมันได้ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของขันห้าว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องทุกข์มันต้องสุขสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุปัจจัยเราเรียกเหตุปัจจัยก็แล้วแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเจอกันในแต่ละวันนั่นเองบางวันจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขมันก็สุขขึ้นมา เวลาเจอเหตุการณ์เจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่เราสามารถที่จะให้มันไม่มาทุกข์ที่ใจเราได้ถ้าใจเราฉลาดถ้าใจเราไม่ไปมีความอยากไปควบคุมบังคับขันห้าให้มันสุขเพียงอย่างเดียวเราต้องยอมรับว่าขันห้ามันต้องสลับกันไปขันห้าวันนี้สุข การห้าวเดี๋ยวสุขตอนเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายอาจจะทุกข์ขึ้นมาก็ได้ตอนเช้ากินอาหารน่าเลดอร่อยเดี๋ยวตอนบ่ายเริ่มท้องกโกรกโกรกขึ้นมาละเริ่มปวดท้องขึ้นมาแล้ะเห็นไหมตอนเช้ากับตอนบ่ายนี่เหมือนกันไหมเวทนาตอนเช้าเป็นยังไงสุขก็เวทนาแต่พอตอนบ่ายกลายเป็นทุกข์ก็เวทนาขึ้นมาละ แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์ทางใจได้คือความไม่สบายใจอันนี้เราถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติของขันห้าวว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราไม่ไปฝืนมันเราไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นตอนนี้มันทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันสุขก็ปล่อยมันทุกข์ไป ถ้าแก้ได้ก็แก้ไปเช่นถ้ามันทุกข์เพราะร่างกายปวดท้องก็ไปหายามากินตอนที่กินยามันก็ไม่ใช่หายปุ๊บทันทีตอนที่กินยาไปก็ต้องใจเย็นๆรอดูอาการไปอาจจะกินยาไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้ถ้ายังไม่หายอาก็จะต้องอาจจะไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลไปคลินิก ให้หมอวิเคราะห์ดูว่าต้องกินยาชนิดไหนถึงจะหายช่วงที่รักษาอยู่นั้นถ้าใจเราฉลาดใจเราจะไม่ทุกข์ใจจะเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่ถ้าใจเราไม่ฉลาดใจเรามีความอยากให้มันหายเร็วๆใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีเนี่ยการที่เรามาศึกษา มาทำความรู้จักขันห้านี้ก็เพื่อที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายไปกับขันหานั่นเองทุกวันนี้ใจของวเราทุกกันวุ่นวายกับขันหากันเอเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับขันหา้าคือเราไม่รู้จักปล่อยวางเราถูกความหลงความอยากของเราบังคับให้เรา ไปไปยึดไปติดไปคอยควบคุมบังคับนั่งกายขันห้าให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราซึ่งมันก็ไม่ยอมให้เราควบคุมบังคับไปได้ตลอดเวลาบางเวลาเราก็ควบคุมบังคับมันได้แต่บางเวลาก็มันก็อยู่เหนือวิสัยของเรา เช่นเราควบคุมบังครับเวลาหิวข้าวมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็หาข้าวมาให้มันกินทุกขเวทนาก็หายไปอันนี้เราควบคุมได้แต่บางเวลาหิวข้าวแต่ไม่มีข้าวกินมันก็ควบคุมไม่ได้เช่นไปหลงอยู่ในปา่าไม่มีข้าวกินหิวข้าวก็ต้องทนไป ตอนนั้นใจของเราก็จะทุกข์ด้วยทุกข์เพราะอยากกินข้าวอยากให้ความหิวหายไปแต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของขันห้าเป็นอย่างนี้มันต้องมีทุกข์ต้องมีสุขแล้วมีเวลาที่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าถึงเวลานั้นเราก็ต้องยอมรับมันไปยอมรับว่าตอนนี้หิว อยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีอาหารกินแต่ใจไม่ต้องไปอยากกินอาหารไม่มีกินก็อย่าไปอยากกินถ้าไม่มีความอยากกินอาหารมันก็มันก็ทุกข์ที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวแต่มันจะไม่มาทุกข์ที่ใจเพราะความทุกข์ที่ใจนี่มันเกิดจากความหิวความอยากกินอาหารนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบว่าขันหานี้มันจะต so ้องเป็นทุกข์ม sure> ันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่สุขอย่างเดียวมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์แต่ใจนี้มันหลงมันบ้าพูดง่ายมันอยากจะให้สุขอย่างเดียวมันไม่ต้องการทุกข์มันไม่ต้องการไม่สุขไม่ทุกข์ ความบ้าของมันเลยทำให้มันทุกข์ขึ้นมาที่ใจอีกชั้นหนึ่งเวลาที่ขันห้าไม่สุขเวลาที่ขันห้าทุกข์ขึ้นมาใจก็เลยเกิดความวุ่นวายเกิดความเสียใจขึ้นมาอันนี้แก้ได้ความวุ่นวายใจความเสียใจความทุกข์ใจนี้แก้ได้ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของขันธ์ว่าเขาต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเขาสุขจะไปให้เขาทุกข์ก็ไม่ได้เวลาเขาทุกข์จะให้เขาสุขก็ไม่ได้เวลาเขาไม่สุขไม่ทุกข์จะให้เขาสุขหรือให้เขาทุกข์ก็ไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศพูดง่าย เวลาฝนตกจะให้มันหยุดก็ไม่ได้เวลาฝนไม่ตกจะให้มันตกก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันตกใจก็ทุกข์ชาวนาชาวไร่บางทีฝนไม่ตกอยากให้มันตกใจก็เลยทุกข์หรือเวลาตกมากเกินไปน้ำจะท่วมก็อยากจะให้มันหยุดพอมันไม่หยุดก็ทุกข์อีกทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่อง ไม่ตกก็ทุกตกมากเกินไปก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากอันนี้หมายถึงทุกข์ทางใจนะไม่ใช่ทุกข์ทางขันห้าขันห้ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ใจนี้สามารถทุกข์กับขันห้าได้ทุกเวลาบางทีเวลาขันห้าสุขก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไร ทุกพ่ออยากจะให้มันสุขไปนานๆนนแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องไม่สุขแล้วเดี๋ยวจะต้องจากกันเดี๋ยวต้องถ้าไปเที่ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านแล้วใจก็เริ่มทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพียงแต่คิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านอีกแล้วกลับไปทำงานกลับไปเจอทุกข์อีกแล้วก็เลยทุกข์ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่กาลังมีความสุขอยู่ทุกทางใจ ทั้งๆ ท, ที่ขันห้ากำลังสุขขันห้ากำลังเที่ยวกำลังเฮฮาปาร์ตี้อยู่แต่พอไปเกิดความคิดความอยากว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากจะให้มันไม่มีวันอื่นให้มีแต่วันเที่ยววันทำงานไม่มีพอมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีหรือไปคิดว่าโอ๊ยต่อไปเราจะต้องแก่นะต่อไปถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไม่สามารถมาเที่ยวมาเล่นอย่างที่เราทำได้ตังตอนนี้พอคิดอย่างนี้ขึ้นมาใจก็ทุกขึ้นมาแล้วงั้นใจนี้สามารถทุกข์ได้ตลอดเวลาทุกข์เพราะความอยากเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากให้มันสุขมันก็ทุกขึ้นมาวเวลาทุกข์อยาก ใ, ให้มันหายก็ทุกข์อีกนี่เรียกว่าความไม่ฉลาด ความไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับขันหา้าแบบที่จะทำให้ใจไม่ทุกนี้ปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เราจะต้องทุกไปกับขันหา้าไม่ว่าขันห้าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามขันห้าสุขเราก็ทุกได้ขันห้าไม่สุขไม่ทุกขเราก็ทุกได้ขันห้า <ondu> สุขเราก็ขันห้าทุกเราก็ทุกได้ทุกได้ท <c oughs> ุกเวลาเพราะความทุกข์ของเราของใจมันเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์กับขันห้าก็อย่าไปอยากเวลาเวลามีสุขในขันห้าก็ปล่อยมันสุขไปอย่าไปอยากให้มันไม่สุขอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มัน สุขไปนานๆพออยากให้มันสุขไปนานๆพอรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องจบใจก็ทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วอเช่นเวลาอยู่กับแฟนนี่สุขแต่พอคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจากกันใชแล้วแฟนต้องไปทํางานต้องไปต่างประเทศเราต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วนี่ยังไม่ทันจากกันเลยเพียงแต่คิดว่าถ้าต้องจากกัน ทุกเวททุกทางใจก็เกิดขึ้นแล้วทุกเพราะความอยากให้เขาไม่จากเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆทั้งๆที่เขายังอยู่กับเราแต่ความสุขที่ได้จากการจูจากเขานี้มันถูกความอยากไม่ให้เขาจากเราไปนี้สร้างความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของขันห้าเข้าใจว่ามันจะต้องมีวันดับมีวันเกิด มีวันสิ้นสุดนะคือสุขมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปทุกข์มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปไม่สุขไม่ทุกข์มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปอยากมันตอนนี้มันสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะสุขไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันพอมันจะหมดมันหมดก็รู้ว่ามันหมด ก็อยู่กับมันไปเวลาสุขหมดก็อยู่กับมันไปออแล้วเดี๋ยวเวลาทุกโผขึ้นมาก็อยู่กับมันไปออทำใจให้เฉยเฉยคือสลบง่ายๆทำใจอย่ายให้ไปมีความอยากกับขันห้า อ, อ, อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นไปตามความ จริงของมันเพราะเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้เสมอไปบางเวลาเราสั่งได้เราเลยหลงคิดว่าเราเก่งคิดว่าเราสามารถที่จะสั่งมันได้สามารถสั่งให้ขันห้าแข็งแรงหาความสุขเวทนาให้กับเราได้ตลอดเวลาแต่พอวันไหนไม่สามารถหาได้มันก็จะทําให้เราเกิดความ ทุกทางใจขึ้นมาเพราะความอยากอยากให้มันหาสุขเวทนาให้เราแต่มันไม่สามารถหาสุขเวทนาได้เช่นอยากให้แฟนมาหาเราโทรเรียกแล้วก็ไม่ยอมมาหรือมาไม่ได้ติดธุระไม่ว่างเราก็ทำอะไรไม่ได้เราจะสั่งให้สุ ข, ขเวทนามาหาเราก็ไม่ได้แล้ว ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทางใจเราต้องมาหัดฝึกใจให้อยู่กับขันห้าตามความเป็นจริงของเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นฝึกเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาต่อไปถ้าเราไม่ฝึก เวลาเขาเป็นอะไรเราจะอยากขึ้นมาทันทีเวลาเขาเป็นอะไรที่ไม่ถูกใจเราเราก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนขึ้นมาทันทีพอเขาไม่เปลี่ยนมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือขันห้าโดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอน คืออนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, เ, าเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกบ้างเรียกว่าเรียกว่าอนิจจังอนัตาก็ไปกําหนดตารางไว้ได้ว่าต้องสุขตลอดเวลาห้ามไม่ให้มีทุกขอย่างนี้ทําไม่ได้ไปสั่งให้ขันหา้ามีแต่ทุกขมีแต่สุขอย่างเดียว ทุกไม่มีไม่สุขไม่ทุกไม่มีสั่งไม่ได้ควบคุมบังคับขันห้าไม่ได้ถ้าไปอยากไปควบคุมแล้วทำไม่ได้จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะไม่ทุกข์ใจก็อย่าไปควบคุมขันห้าอย่าไปอยากบางังอย่าไปอยากให้ขันห้าสุขเพียงอย่างเดียวขันห้าสุขก็รับรู้ว่าสุข ขันห้าทุก็รับรู้ว่าทุกขันห้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับรู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไปถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับขันห้าใจของเราก็ปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายแต่นี่ปล่อยคือปล่อยทางใจแต่ทางการปฏิบัตินี้ ถ้ายังทำอะไรได้ก็ทำไปแต่ที่เราพูดนี้หมายถึงเวลาที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาที่รักษาแล้วรักษายัางไงก็ไม่หายก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปเวลาที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายตายป้องกันไม่ได้แล้วบอกว่าทำสุดขีดแล้วร่างกายจะต้องตายห้ามมันไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทำให้ทุกข์ถ้ายอมใหม้มันตายก็จะไม่ทุกข์เช่นบางเวลาเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่เสียงเป็นเสียงตายขึ้นมาถ้าเราไม่ยอมตายตอนนั้นเราจะทุกข์มากถ้าเรายอมตายคิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเราแล้วถึงเวลาให้มันตายแล้วก็ปล่อยมันตายไป ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือเรื่องของขันห้าที่เป็นส่วนประกอบชีวิตของพวกเราที่พวกเรามาทุกข์กับมันมาหนักหกหนักใจกับมันเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับมันที่จะทำให้เราไม่ต้องมาหนักอกหนักใจ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอาาริรอยาสาวกทุกองค์นี่ท่านรู้จักวิธีปฏิบัติกับขนันห้าคือท่านรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาต้องปล่อยวางท่านจะปล่อยถ้าแก่ห้ามแก่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันแก่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเจ็บไข้ได้ป่วยไปถ้าตายถ้าห้ามมัน ให้ตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายไปพอปล่อยแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจกับร่างกายมันเป็นคนละคนกันนั่นเองแต่ความหลงของใจไปหลอกใจให้คิดว่าใจเป็นร่างกายเท่านั้นเองใจก็เลยกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ทั้งทั้งที่พู้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายเขาไม่กลัวเลยคือร่างกายร่างกายก็ไม่กลัวความแก่ผมจะงอกกี่เส้นมันก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือใจผู้มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับผมนั่นเองพอเห็นผมขาวขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ดีขึ้นมาทันทีอเอเมตนาก็ไม่ดีขึ้นมาทันที พอเกิดความรู้สึกไม่ดีก็อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายวิธีจะทำให้มันหายก็ต้องไปย้อมผมนั่นเองพอไปย้อมใม้่มันเห็นเป็นสีดำอนะ่ะทีนี้เห็นแล้วใจสบายขึ้นมานะความรู้สึกนึกคิดสบายขึ้นมาแนละ้วทั้งทั้งที่หลอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงการย้อมผมความจริงมันก็งอกอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็ ที่คนลากมันก็โผล่ขึ้นมามันก็เลยมีสองสีใช่คนย้อมผมเนี่ยที่ปลายผมก็สีดำที่ต้นผมที่โผล่มาทาง้งบนจากบนศีสษนนี่ก็เป็นสีขาวอันนี้คือเรื่องของของใจที่ไม่ยอมรับความจริงของขันห้า ไม่ยอมรับว่าขันห้าไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับความจริงว่าไปควบคุมบังคับขันห้าไม่ได้ใจที่อยากจะควบคุมบังคับขันห้าเลยต้องทุกข์กันเนี่ยทุกข์กันทั้งโลกเพราะใจของทุกๆคนนี่อยากจะควบคุมบังคับขันห้ากันทั้งนั้นมีใจของผู้ฉลาดไม่กี่คนเท่านั้นนะ ที่รู้ความจริงแล้วไม่ไปอยากควบคุมบังคับขันหา้าก็คือใจของพระอริยบุคคลคือตั้งคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันคือเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของขันหา้ารู้ว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงรู้ว่านั่งรู้ว่าขันห้าต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลียนจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนัตตาไปไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับไปสั่งไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้พวกเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศกันเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่ทำไมเราไม่เห็นขันห้าว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เพราะความหลงเนี่ยเพราะความหลงไปคิดว่าเราสามารถควบคุมบังคับขันห้าได้อันนี้เราต้องมาแก้ความหลงว่าขันห้านี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับกันไม่ได้อาจจะควบคุมบังคับได้ในระดับหนึ่งในเวลาหนึ่งเช่นเวลาที่มันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ตอนนั้นเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ให้แก่ได้ไม่ให้เจ็บได้ไม่ให้ตายได้เช่นตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยไม่ค่อยไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บคายได้ป่วยนี้ก็ไม่ค่อยมีมีก็สามารถที่จะแก้มันได้ทำให้มันหายได้ความตายนี้ก็ยังไม่มียังอยู่อีกไกล แต่ต่อมาขันห้ามันเริ่มเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายตอนนั้นแหละที่เราจะรู้ว่าเรานี่ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันถ้าใจไม่อยากจะทุกข์กับมันใจต้องปล่อยวางเหมือนกับที่เราปล่อยดินฟ้าอากาศเราทุกข์กับดินฟ้าอากาศไหมไม่ค่อยทุกข์หรอก ันจะตกก็เราก็รับมันได้ฝนจะแรงเราก็รับมันได้อากาศจะร้อนเราก็รับมันได้อากาศจะหนาวเราก็รับมันได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปมีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนั้นเองเพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆฝนตกจะสั่งให้ hey, หยุดหยุดเดี๋ยวนี้มันไม่หยุดแต่ขันห้าเวลามันทุกข์นี่สั่งให้มันหยุดทุกข์ทันที มันไม่หยุดนนอกจากในตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี้อาจจะสั่งให้มันหยุดได้เร็วเอพอเป็นอะไรปุ๊กเดียเด๋ยวเดี๋ยวกินยาเข้าไปแป๊บเดียวก็หายได้อแต่พอแก่นี่กินแล้วกินยาแล้วกินยาอีกมันก็ยังไม่หายดองั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของขนันห้าว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนี่เองเพราะร่างกายมันก็ทํามาจากดินน้านมไฟ ดินน้ำนมไฟก็คือดินฟ้าอากาศนั่นเองถ้าเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้เราก็ไปควบคุมร่างกายที่ทำมาจากดินน้ามลมไฟไม่ได้ควบคุมกับสิ่งที่ทำมาจากดินน้มลมไฟไม่ได้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพธาติที่เรามาสัมผัสรับรู้มันก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแหละมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับดินดินฟ้าอากาศดีๆนี่เอง คือสรุปแล้วถ้าเราศึกษาขันห้าแล้วเราศึกษารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะสามารถสรุปลงได้ว่ามันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันดินฟ้าอากาศก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกร่างกายก็เป็นดินฟ้าอากาศเป็นดินน้ำลมไฟ ร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้มันก็มาจากดินน้าหนลมไฟมันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วนะเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรนปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาไม่ไปมีความอยากที่จะไปสั่งไปบังคับให้มัน เป็นไปตามความอยากของเราเราก็อยู่กับมันได้เห ม, มือนเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้เราอยู่กับดินฟ้าอากาศอย่างสบายใจไม่ค่อยทุกข์ใจกับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเราไปอยากกับมันไม่ได้เราไปอยากให้มันไม่ตกไม่ได้ถ้าฝนจะตกเราจะไปอยากให้มันตกไม่ได้ถ้ามันไม่ตกเราจึงไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศ เรามาทุกข์กับอย่างอื่นเพราะเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นดินฝ้าอากาศเราไม่ได้มองรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ของร่างกายของเราว่ามันเป็นดินฟ้าอากาศความจริงมันเป็นดินฝ้าอากาศคําว่าอน้ำตาก็คือเป็นดินฟ้าอากาศเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทํามาด้วยดินน้านมไฟทั้งนั้นมันมาร ว, วมกันมาแยากกัน ฝนตกแดดออกนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าดินน้ําลมไฟฝนก็คือน้ําเวลาพายุมาก็เรื่องก็เรื่องของลมเห็นไหมเวลาอากาศร้อนมันก็ความร้อนมันก็ธาตุไฟมันมีแต่ดินน้ําลมไฟนโลกนี้เป็นโลกของดินน้ําลมไฟโลกธาตุเนี่ยโลกนี้ที่เราอยู่เรียกว่าโลกธาตุ ทำด้วยดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่เราผลิตกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของเดรัจฉานของมนุษย์นี้เป็นดินฟ้าอากาศทั้งนั้นเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้น ถ้าเราศึกษาขันห้าแล้วมันจะกระจายออกไปจนกระทั่งทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกันหมดเป็นดินน้านมไฟทั้งนั้นเอเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้อท่านบอกว่าสัพเพ ธ, ธรรมานัตตาใช่ไหมสภาวธรรมทัท้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับมาสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปอาจจะสั่งได้เช่นเราอยากจะได้บ้านแล้วก็ไปหาดินน้านมไฟมาปรุงแต่งมาสร้างให้เป็นบ้านขึ้นมาแต่สร้างไปเดี๋ยวไม่นานมันก็พังลงมาใไปดูกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไปดูกรุงสุโ ข, ขทัยไปดูกรุงโรง ไปดูกำแพงเมืองจีนไปดูปิรามิดเนี่ยนี่ก็เป็นการสร้างขึ้นมาตามความรู้สึกนึกคิดอยากจะสร้างก็สร้างกันขึ้นมาแล้วคิดว่าสร้างมาแล้วจะรักษาให้มันเป็นเหมือนตอนที่สร้างใหม่ๆนี่เป็นไปไม่ได้มันเวลามันจะกัดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดท่านเปรียบเทียบเวลาวันเวลาเหมือนกับงูใหญ่ อูใหญ่ที่จะที่จะกลืนเหยื่อหุบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยคอยเห็นงูกินสัตว์นะงูใหญ่งูงูเหลือมนี่บางทีมันกินสัตว์มันไม่ได้กินพรดเข้าไปทั้งตัวเห็นไหมมันค่อยๆดูดเข้าไปทีละนิดจุดไปทีละนิดอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบนาทีกว่าจะมันกินเข้าไปหมดนะแต่เดี๋ยวมันก็กินเข้าไปหมดนะ จันไดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมานี้เดี๋ยวก็จะถูกเวลากินกินไปหมดกุฏิศาลาหลังนี้อีกร้อยปีกลับมาดูนี่ดูซิ่มันจะอยู่แบบย้อนนี้หรือเปล่าร่างกายของพวกเราอีกร้อยปีกลับมาดูซิว่ามันยังจะอยู่เหมือนตอนนี้หรือเปล่ามันไม่มีอะไรอยู่หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหมดสภาพไปนี่คือ ความเป็นจริงของธรรมชาติของโลกนี้ของโลกกรธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เป็นมาจากดินน้าำลมไฟเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศที่มีการเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมไปแล้วก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้เวลามันเจริญจะไปห้ามมันให้มันเจริญก็ไม่ได้เวลามันเสื่อมจะไปห้ามไม่ให้มันเสื่อมก็ไม่ได้ ก็คือเหมือนกับดินฟ้าอากาศนี่เองเพราะดินฟ้าอากาศก็เป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศก็เป็นดินน้ํำลมไฟเราพูดถึงดินใช่ไหมฟ้าก็ท้องฟ้าท้องฟ้าก็มีลมมีอากาศมีความร้อนมีแสงแดดดินน้ํำลมไฟดินฟ้าอากาศทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดพูด ง, ง่ายๆตัวตนไม่มี ใจเป็นใจพูดที่มาหลงมาอยู่ในโลกนี้เป็นหลงสมมุติขึ้นมาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเอเพราะเกิดความหลงว่าว่ามันเป็นเราของเราก็เลยเกิดความอยากอะไรเป็นของเราแล้วเป็นยังไงอยากให้มันดีใช่ไหมอยากให้มันอยู่ใช่ไหอแต่มันดีไปตลอดได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ไปตลอดได้หรือเปล่าไม่ได้เอ ความไม่ดีมันไม่อยู่ใจเป็นยังไงใจก็ทุกข์กันนะเห็นหม่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะความอยากของใจนั่นเองความโง่ของใจที่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจได้มาสัมผัสรับรู้มาครอบครองนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่ใจไม่สามารถที่จะไป สั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจได้เสมอไปนี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราศึกษาให้ทำความรู้จักก็คือขันหานี้เองเพราะขันหานี้เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดเกี่ยวข้องกับเราที่สุดเราต้องรู้จักวิธีรู้จักว่าขันห้ามันเป็นอย่างไร รู้ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันไม่เหมือนสวิตช์ไฟฟ้าเข้าใจัหมอยากจะดับไฟก็เปิดปิดสวิตช์ไฟก็ดับอยากจะเปิดไฟก็เปิดสวิตช์ไฟก็เปิดแต่การห้ามันไม่ได้เป็นสวิตช์ไฟมนเือนดินฟ้าอากาศ ฝนจะตกจะไปไม่มีสวิตไปหยุดฝนะเวลาฝนไม่ตกไม่มีสวิตไปเปิดให้มันฝนตกอย่าใดเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่มีสวิต ท, ที่จะไปปรับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายไม่อยากจะทุกข์กับขาหน้าก็ถ้าปรับไม่ได้ก็ปล่อยมันไปทําใจยอมรับกับมันไปถ้ามันจะ เป็นก็ต้องให้มันเป็นถ้ามันจะเป็นโรคมะเร็งก็ต้องให้มันเป็นถ้ามันรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะไม่อยู่กับเราร่างกายในที่สุดมันก็ต้องแยกออกจากใจไปมีใจดวงเดียวเท่านั้นอ่ะที่ไม่มีตายไปกับขันห้าไม่มีการตาย แต่ขันห้านี้มันมีการเกิดการตายอาการที่มีอยู่ในใจคือความรู้สึกนึกคิดมันก็เกิดดับเกิดดับความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสรับรู้แล้วก็ดับไปจะไปควบคุมไม่ให้มันดับก็ไม่ได้เวลามันจะดับ จะไปห้ามไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้เวลามันเกิด น, นี่คือขันห้าเป็นธรรมชาติให้เรามองให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟคือร่างกายของเรากับความรู้สึกนึกคิดของเรานีในแต่ละวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่งตอนบ่ายเป็นอีกอย่างตอนเย็นเป็นอีกอย่างเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาปรุงแต่งที่มาปรับมาเปลี่ยนขันห้าให้มันเป็นเหมือนเปลี่ยนฉากละครงเงี้ตอนเช้าก็เป็นฉากหนึ่งตอนกลางวันก็เป็นฉากหนึ่งตอนบ่ายก็เป็นฉากหนึ่งตอนเย็นตอนค่าก็เป็นฉากหนึ่งไปแล้วความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนไปกับเหตุการณ์ที่เป็นฉากฉากไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น กา น, นี้มันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปการที่เราจะทำให้ใจของเรานี้ออไม่มีความอยากได้นี้เราต้องมาควบคุมใจกันเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมก็คือการควบคุมใจให้มันเฉยให้มันไม่ไปเกิดความอยากที่จะไปเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจะไปปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าปรับไม่ได้ก็เฉยไปถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเฉยไปถ้าเฉยได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าเฉยไม่ได้ก็จะทุกข์อนี่คือเรื่องทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันทำไมเราจึงต้องมาหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อสร้างสติขึ้นมาเพราะถ้าเรามีสติเราจะสามารถปรับใจของเราได้ อย่างและยงสิ่งต่างๆในโลกนี้เราปรับไม่ได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราจะปรับได้ตลอดเวลาก็คือใจของเราปรับใจของเราให้เฉยเท่านั้นเองไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราปรับใจได้ควบคุมใจให้เฉยได้เวลาไปสัมผัสกับขันห้าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะห้ามความอยาก เวลาเจอความทุกข์ของขันห้าใจก็จะเฉยพอใจเฉยใจก็ไม่ทุกข์กับความทุกข์ของขันห้าเวลาเจอความสุขของขันห้าใจก็เฉยไม่ไปอยากให้มันสุขไปนานๆานเพราะถ้าไปอยากให้มันสุขไปนานๆเดี๋ยวใจก็ต้องทุกข์ขึ้นมาเวลาที่สุขมันหายไปนี่คือวิธีการปฏิบัติเราต้องมาปรับใจมาหัดฝึกใจควบคุมใจ ให้มันเฉยให้ได้แล้วเมื่อเราทำให้มันเฉยได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องสอนให้มันเข้าใจธรรมชาติของขันห้าว่าเป็นอะไรมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราห้ามมันไม่ได้อนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนกับไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปเปลี่ยนการโครจรของดวงอาทิตย์ไม่ได้ นอยู่ดีๆก็ไปเปิดสวิทช์ให้ตอนนี้อย่าพึ่งไปไหนให้อยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลังมีนัดกับคนนั้นคนนี้ต้องการหยุดเวลาหนึ่งชั่วโมงหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้เมื่อเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันเดินไปเราก็เลยไม่ค่อยทุกข์กับการเดินของพระอาทิตย์การเดินของเวลาแต่เราปรับไปทุกข์กับการเดินของขันห้า ก็เ ร, เราไปคิดว่าเราสามารถที่จะไปบังคับมันได้เพราะเราคิดว่าเรามีมีสวิตไว้เปิดปิดขันห้าได้อยากจะได้สุ ข, ขเวทนาก็เปิดกดปุ่มสุขขึ้นมาเวลาเกิดทุกขเวทนาก็สามารถมีปุ่มกดให้มันหายไปมันทำได้บางเวลาแต่บางเวลามันทำไม่ได้เนื้นเวลาที่ทำไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือมาปรับใจ มากดปุ่มที่ใจเห้ย hey, เฉยๆไว้กดปุ่มเฉยไว้อย่าไปมีอะไรกับขันห้าขันห้ามันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเมื่อทำอะไรไม่ได้เมื่อหมอบอกเป็นมะเร็งจะไปกดให้มะเร็งหายไปมันก็กดไม่ได้ก็ต้องมาปรับที่ใจว่าเฉยๆไปเฉยๆแล้วไม่เดือดร้อนทำใจดีสู้เสือไปเสือไม่กัดหรอก ไอตัวที่กัดไม่ใช่เสือไอตัวที่กัดก็คือความอยากของเรานี่เองความไม่เฉยของเราถ้าเราทำใจให้เฉยแล้วไม่มีอะไรมากัดใจได้มาเล่ น, ข, นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองหรขั้นที่สามก็ไม่สามารถมาทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าเราสามารถทำใจให้เฉยได้นี่คือเรื่องของขันห้ากับเรื่องของวิธีปฏิบัติกับขันห้า เราต้องเข้าใจว่าขันห้ามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราต้องทำมาควบคุมใจของเราให้เฉยกับมันให้ได้ถ้าเราควบคุมใจให้เฉยได้แล้วความทุกข์ในใจของเราก็จะไม่มีเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับขันห้าได้นี่ก็คือเรื่อง ที่พระเจ้าให้พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันศึกษาถึงธรรมชาติของขันธ์หาแล้วปฏิบัติใจของเราให้มันเฉยให้ได้ด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิแล้วต่อไปเรื่องของขันธ์หาก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาอยาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราภะเรปบเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพโุเรนตุจังกปาดันฑูปนาราโสยะถามณีโชติ อระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาธนสิลิตะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรมมวัฏานติ อายุว oh, mm ันโนสุขังภาลางวันนี้กล้องตัวไหน YouTube ยูทูบเหรอใครดูยูทูบวันนี้คงจะทุกข์หน่อยพราขัดขัดหายหายต้องย้ายไปที่เฟซบุ๊กหรือไม่นงไปวิทยุออนไลน์มีทางแก้ทางเลือกทางสำมรอง ถ้า YouTube มีปัญหาก็เข้าไปพัศจุชาต .com ก็จะมีวิทยุฟังเสียงได้ถ้าเป็นสมาชิกของ Facebook ไม่ต้องเป็นก็เข้าได้ไม่ใช่รู้ส้หน้าแฟนเพจเนะี่ยเข้าไปดูได้เข้าไป Facebook ได้หาคำว่าพอจอพัศจุชาติอภิชาโตมันก็จะเข้าไปได้แต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกมันก็เซิร์ชไม่ได้ค้นหาไม่ได้ต้องรู้ที่อยู่ของมัน ถะไม่รู้วิอยู่มันก็เข้าไม่ได้นี่มันคืออนิจจานี้ก็คือขันห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเพราะมันก็มาทางวิญญาณทางตาหูจมูกทางตาทางหูก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าที่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนะ่ยยิงถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ วันนี้อากาศไม่ดีอันนี้วิญญาณไม่ดีวิญญาณทางตาทางหูของ YouTube ไม่ดีต้องย้ายไปเป็นวิญญาณทาง Facebook นอไปทางวิทยุออนไลน์หรือไม่ก็เดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 311 y อ u ส u บ e อก่อนที่จะมีปัญหานะคะรอยสี่ิบสอง วิทยุออนไลน์สี่สิบสี่ผู้รับฟังบนเขาสามสิบหกรวมห้าร้อยสามสิบสามท่านค่ะร้อยตอนนี้ y youtube เหลือเท่าไหร่แปดสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้ายังกลับมาได้มั้งนะนะนะท่านที่ฟัง YouTube ถ้ามีปัญหาก็ต้องเข้า Facebook เลยไปฟังวิทยุออนไลน์แทนในหน้าเขาก็จะมีเขียนไว้บอกนะที่อยู่ในใน u t u b e มีเขียนไว้หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่ไ บอกที่ไปมีแต่ในหน้าเฟ e บุ๊กเนี่ยเราโพสไม่ได้ในหน้ายูทูบไม่ได้ค่ะไม่ได้เนี่ย่เออเป็นค้างเหมือนกับเป็นผู้ติดตามยเียพอโพสแล้วมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปอตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหา ใครฟังธรรมะแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนยังไม่เคลียร์ไม่ชัดตรงไหนอยากจะถามจะเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าไม่มีใครถามก็มีทางบ้านัหมวันนี้เอ า, เอาทางบ้านก่อน ค่ะคำถามจากคุณจูมีสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งเหตุใดบางคนเข้าสมาธิแล้วเกิดปิติแต่บางคนไม่เคยเกิดปิติเลยคะก็ยังไม่ถึงบางบางคนเขายังไม่ถึงมันก็ไม่มีปิติบางคนอาจจะเป็นพวกที่ด้านปิติก็ได้เข้าถึงแล้วมันไม่เกิดก็มีมีคำถามว่าส่งให้ผู้ที่นี่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยนี่ข้างหลังนี่ นั้นปิตินี่ไม่แน่นอนไม่สำคัญขอให้มันนิ่งมันเฉยมันสงบมันว่างมันเย็นมันสบายอันนี้คือผลปิติก็เดี๋ยวเดียวปิติปั๊บเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปเห็นบางคนอาจจะเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดอาจจะเกิดบางคนเกิดแล้วก็อาจจะไม่เกิดอีกก็ได้ถ้าใหม่ๆของมันแปลกๆใหม่ๆมันนอกจากปิติมันจะเปลื้มนะพอมัน ซ้ำซากแล้วมันไม่ปลิ่มแล้วเหมือนกินอาหารจานเด็ดข้างแรงโอ้โหปลืม้มพอไปกินซ้ำสองซ้ำสามแลมันไม่มเหมือนเดิมนะอ่ะคําถามถามได้อ่าคําถามข้อสองจากคุณจูก่อนนะคะข้อสองแล้วเหตุใดบางคนจึงมีอภิน ญ, ญาคะก็นั่นแหละจิตของแต่ละคนนี้มีความสามารถพิเศษต่างกันได้รับการพัฒนาในอดีตชาติมาต่างกัน ดังนั้นจึงมีอภินญาบ้างไม่มีอภินญาบ้างเหมือนกับทําไมเด็กบางคนเล่นเปีย โ, โนเก่งเล่นไวโอลินเก่งเด็กบางคนนี่เล่นไม่เป็นเด็กบางคนฉลาดนะเรียนหนังสือเก่งอันนี้เป็นความสามารถที่ติดตัวมากับใจนั่นเองคําถามจากคุณวัชรี อยากถามว่าเวลาหนูมีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจหนูจะระลึกขึ้นได้และถามตัวเองกลับว่าเมื่อกี้ทำไมเราถึงโกรธแล้วมันหายโกรธแต่หาสาเหตุไม่เจอคะ่ะรู้แต่ว่าไม่พอใจเท่านี้คือการมีสติเวลาทำงานใช่ไหมคะแต่ทุกวันจะทำสมาธิทุกวันอย่างน้อยหนึ่งครั้งคะ่ะแต่พุทโธ ท, ทั้งวันไม่ได้คะ่ะทำอย่างนี้จะแทนได้ไหมคะ ก็แล้วแต่ว่ามันดับความโกรธได้หรือเปล่าถ้าอยากจะแก้ความโกรธอย่างทาวนก็ต้องหาสาต้องรู้สาเหตุของความโกรธสาเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานั่นแหละอยากให้คําเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธขึ้นมางั้นเราต้องมาลดละความอยากของเราหัดทำใจให้เป็นสันโดษ อย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจได้อะไรมาก็สาธุสาธุใครชมก็สาธุใครด่าก็สาธุแล้วรับรองได้ว่าจะไม่โกรธใครที่โกรธเพราะอยากได้ชมแต่ไม่อยากได้ดา่าพอได้ด่าก็เลยโกรธขึ้นมาเราต้องมาฝึกใจสอนใจว่าต่อไปนี้เราต้องสันโดษต้องยินดีตามมีตามเกิด ใครด่าก็สาธุไปใครชมก็สาธุไปอย่าไปอยากให้เขาชมอย่างเดียวอย่าไปอยากให้เขาไม่ดา่าแล้วใจจะไม่โกรธใจจะไม่ทุกข์คำถามจาคุณพิทักษ์ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้นโดยมาจากสัญญาที่ได้ยินได้ฟังของเราเองเราสามารถยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นปัญญาที่ออกมาจากใจของเราเองได้ไหมครับ คือเราต้องอาศัยสัญญาก่อนเพราะเราในใจเราไม่มีปัญญาเราต้องอาศัยปัญญาของคนที่มีปัญญาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาณะเพื่อที่จะได้เอาอปัญญาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเข้าสู่ใจของเราตอนที่เข้ามาใจใจเราตอนต้นมันจะเป็นสัญญาก่อน คือมันจะจําได้แล้วเดี๋ยวมันก็ลืมฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรไปเดี๋ยวก็ลืมวิธียาทาให้มันจากสัญญามาเป็นปัญญาก็คือต้องเอามาคิดอยู่บ่อยๆคิดจนไม่ลืมพอมันไม่ลืมมันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเอท่านั้นเองเอโยมส่งตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยตรงออจะมาถ่ายรูปเหะคําถามตอบพอใจไหม ก็ถ่ายเองหรือว่าจะให้คนอื่นก็ถ่ายให้อ๋อถ่ายเองออถ่ายเองก็ถ่ายไปคือถ้าอยากจะถ่ายถ่ายด้วยก็ต้องให้คนอื่นก็ถ่ายให้ก็ต้องมานั่งข้างหน้านี้อ่าคําถามต่อไปค่ะคําถามจากคุณนัทธนาถามก็ว่าพอใจไหมคําตอบถ้าไม่พอใจก็ถามต่อได้คฟังเข้าใจนะโอเค ที่นี่มีบริการทุกชนิดมีถามตอบปัญหามีแสดงทำมีถ่ายภาพถ่ายรูปมาจากที่ไหนฮาวายค่ะฮาวายเลยฮอนดูููเลยอบิ๊กไอลนที่มีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะเป็นไงอยู่ใกล้ป่าีก็เห็นมันเลยนะสิบนาทีต้องต้องเตรียมตัวโยกย้ายป่ะ แล้วอยู่คนละแนวกันตอนนี้มันเกิดนี่เราต้องเตรียมตัวย้ายเปล่าไม่ค่ะไม่ต้องมันอยู่คนละแนวกันช่วงนั้นวิ่งมาไทยปีนี่เราว่าก่อนนั้นสวยนะเงียบนะธรรมชาตินะดีมีพระไหมมีมีวัดไหมที่วัดเกาะใหญ่ไม่มีนะออคนน้อยอ่าคนไทยไม่ค่อยมาก ดีแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านทุกปีโอเค ม, okay. มีหนังสือภาษาอังกฤษนะถ้าก็ต้องการอยู่ที่อาคารด้านหลังเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าต่างเนี่ยมีชั้นตั้งอยู่เดี๋ยวพาก็เดินไปดูก็ได้หนังสือที่เราเทศว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะหยิบไปอ่านได้แจกฟีต่อคำถามต่อค่ะคำถามจากคุณ น, น, นัทนนมีสองคำถามค่ะ จะแก้ไขเรื่องความโลภอย่างไรคะถ้ามีความโลภเกิดขึ้นเราเห็นมันเรารู้และดูมันเฉยๆจะเพียงพอที่จะทำให้ความโลภดับไปหรือไม่คะไม่หรอกจะให้มันดับต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลความโลภก็คือความอยากได้นู่นได้นี่เราก็ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราโลภนี้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่ได้มันมาเราตายหรือไม่ตายต้องถามอย่างนี้ ถ้ามันไม่ตายก็แสดงว่ามันไม่จถ้าถ้าไม่ได้มันมาแล้วตายก็แสดงว่ามันจาเป็นต้องได้เช่นนมหายใจนี้ต้องหายใจอยู่เรื่อยๆต้องโลภกับการลมหายใจนะโลภกับนมหายใจนี้ไม่เป็นไรเป็นประโยชน์โลภกับอาหารก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่กินอาหารเดี๋ยวก็ตายได้ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เดี๋ยวก็โปเปื่อยไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็ ไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีบ้านก็ต้องหาบ้านอยู่ถ้านร่โลภในปัจจัยสีน่นี้ถือว่าจําเป็นแต่ถ้าโลภในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยสีน่นี้ไม่จาเป็นอย่าไปอยากได้ตอนนี้มีมือถือเครื่องเก่าอยากจะได้เครื่องใหม่อย่างนี้เรียกว่าโลภถ้าไม่ได้เครื่องใหม่จะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายอยากไปเอามาดีกว่าเพราเอามาแล้วมันจะจน เงินมันจะหมดเก็บเงินไว้ซื้อของจาเป็นดีกว่า น, นี่ต้องใช้เหตุผลถามตัวเองวิีแก้าความโลภแล้วสิ่งที่มันไม่จาเป็นได้มามันก็สุขเดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากของใหม่อีกให้ใช้ปัญญาแล้วต่อไปมันจะได้ไม่โลภค่ะคาถามข้อที่สองนะคะ ถ้าเราปรับจิตของเราให้เป็นกลางเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นสาระทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไตรลักษณ์จะสามารถทําให้กิเลสหมดไปได้หรือไม่คะคือจะถึงขั้นสําเร็จมรรคผลนิพพานได้หรือไม่คะก็ได้สิเป็นแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่านั่นถ้าทําได้มันก็สําเร็จได้มันก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน ข้างนอกใจหรือข้างในใจก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดสัพเพธ ร, รมมอนัตตาเนสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าแม่ที่เลี้ยงลูกตามใจลูกทุกอย่างจนลูกไม่มีความเคารพตัวพ่อควรดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างไรดีครับก็ส่งไปโรงเรียนดัดสันดานนี่ ถ้าเราไม่สามารถดัดมันได้เราก็ต้องส่งไปโรงเรียนดัดสันดานให้ไปอยู่โรงเรียนที่เขามีระเบียบมีกฎจับจับมันบวชเนนได้ยิ่งดีเลยจับไปโรงเรียนที่สอนแนวพุทธสมเด็จพระสังฆราชนี้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนสังฆราชองค์ก่อนนะไม่ใช่องค์นี้สมเด็จพระญาณสังวรท่านสร้างโรงเรียนระดับม .1 ถึงม .3 เป็นโรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กผู้ชายแล้วให้มาเรียนเรียนธรรมเรียนวิชาปกติพร้อมกับเรียนวิชาคุณธรรมพุทธเรียนพุทธศาสนาสอนเด็กให้รู้จักสัมมาคารวะรู้จักความกตัญญูกะตะเวทีให้รู้จกักศีลรู้จักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยมีคุณธรรม สมเด็จท่านต้องการรู้ว่าช่วงหมหนึ่งถึงมสานี้เป็นเหมือนหัวเรียวหัวต่อก็เลยเปิดโรงเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างฟรีหมดเสื้อผ้าฟรีอะไรฟรีหมดสมเด็จท่านได้รับเงินบริจาคจากศรัทธาญาติโยมท่านก็เอามาสร้างโรงเรียนแล้วส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นกองทุนเพราะว่าต้องอาศัยเงินกองทุนนี้ เงินที่ได้จากดอกเบีย้ยมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตอนที่ท่านสร้างกองทุนดอกเบีย้ยมันสูงเดังนั้นดอกเบีย้ยเกือบร้อยละสิบเดี๋ยวนี้เหลือแค่ร้อยละหนึ่งทีนี้กองทุนมันก็ไม่มีรายได้พอที่จะเอามาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทางโรงเรียนก็เลยต้องดิ้นดนหาผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเมตตาที่จะสนับสนุนก็มีทั้งผู้ที่ช่วยให้รายค่าใช้ใจ่ายรายเดือนผู้ที่แล้วมีผู้ที่ช่วยสนับสนุนกองทุนกองทุนนี้มันต้องหลายร้อยล้านถึงจะอยู่ได้เพราะค่าใช้ใจ่ายมันเดือนหนึ่งหล้านอ่ะปีหนึ่งประมาณ6ล้านสําหรับการที่ให้โรงเรียนนี้อยู่ได้ ก็ต้องมีเงินทุนอย่างน้อยสองร้อยล้านตอนนี้ก็ยังดอกก็ยังไม่ได้หกร้อยเพียงแต่ว่ายังได้ทางอื่นได้ทั้งได้การสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลบางส่วนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดูแลกันไปช่วยกันไปออันนี้ไม่ได้บอกบุดไม่ได้ขอเงินเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าการที่มีโรงเรียน ดัดสันดานเด็กนี่มันทำให้เด็กเป็นเด็กดีมีความเคารพนับถือเชื่อพ้อเห็นคุณบุญคุณของพ่อของแม่ว่าไม่มีใครที่จะมีบุญคุณเท่ากับพ่อกับแม่ที่เกิดมาได้นี่ก็เพราะมีพ่อมีแม่ให้กำเนิดแล้วโตมาได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่เลี้ยงดูอันั้นถ้าเด็กไม่มีการสั่งสอนความจริงเหล่านี้เด็กก็เป็นเหมือนสุนัขดีๆนี่เอง สุนักมันก็ไม่รู้คนเลี้ยงว่ามีบุญคุณอย่างไรมันจะรู้ก็ตอนที่ได้ก็อาหารกินนั้นตอนที่มันไม่ได้อาหารกินมันก็อาจจะกัดเจ้าของได้ถ้ามันหิวเด็กก็เหมือนกันพอไปขัดใจมันมันก็าจะโกรธได้แต่ถ้ามันรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นี่มันจะไม่กล้าโกรธมันจะระ ง, งับความโกรธได้จะรักษาความเคารพได้ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเกิดการอบรมกุณ์ก็เรียกอะไรจริยธรรมอบรมบ่มนิสัยของเด็กตามใจเด็กไม่ได้เพราะได้ใจเด็กมีแต่กิเลสตัณหาต้องพยายามขัดมันต้องพยายามห้ามมันต้องพยายามสอน ม, มันให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่ว น, นี่คือหน้าที่ของโรงเรียนที่สมเด็จพระสังฆราช ท, ท่านสร้างขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนผู้รู้ยศ ส, ส .80 ยศ ส, สนี่เป็นนามยอ่อของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช80ตอนที่ท่านอายุ80อันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนสถาบันที่จะมาช่วยดัดนิสัยเด็กเด็กที่เรียนโรงเรียนนี้ พอจบมหนึ่งนี่ก่อนจะปล่อยให้กลับบ้านให้บวชเนนก่อนบวชเนนสิบห้าวันมาหัดอยู่แบบมักน้อยสันโดษอยู่แบบพระในนั้ว่าอยู่กันอย่างไรแล้วเด็กพวกนี้จะมีนิ ส, สัยดีมีมารยาทดีและเป็นคนดีของสังคมต่อไปโรงเรียนนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเรียนโดดเด่นทางวิชาการขอให้มีขอให้ผ่านได้ก็พอ เน้นทางด้านจริยธรรมทางคุณธรรมเพราะสำคัญกว่าความรู้เก่งกาจขนาดไหนถ้าไม่มีจริยธรรมคุณธรรมความรู้นั่นก็มาทำลายทาลายโลกได้แต่ถ้ามีจริยธรรมคุณธรรมความรู้ที่ได้มาจะเอามาทำคุณประโยชน์ให้กับโลกเราต้องเน้นที่คุณธรรมจริยธรรมอย่าไปเน้นที่ความรู้กัน อยงที่กําลังสมัยนี้กําลังเป็นกันเดี๋ยวนี้โรงเรียนต่างๆนี้ไม่ค่อยเน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเน้นแต่เรื่องเกรดนี่ยแล้วพอเก่งก็เก่งด้วยด้วยควะแล้วก็เอาความเก่งไปใช้กับความไร้ศีลธรรมไร้จริยธรรมโลกเลยวุ่นวายเพราะยิ่งเก่งแต่เก่งไปในทางทําความชั่วกันไม่ได้เก่งไปในทางทําความดีกัน ก็ไปดูม like <a breathe> ีเว็บไซต์ม hmm. <Quite. S 1> ีเฟซบุ๊กเสิร์ตเข้าไปดูได้ถ้าอยากจะรู้อยากจะศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนนี้ลองเข้าไปดูลองเสิร์ตดูโรงเรียนผู้รู้ยศส .80 ก็มีหน้าเพจมีแฟนเพจมั้งมีมีเว็บไซต์อะไรสงนองนี้ก็ไปดูได้อีญาโยมบางทีเขาก็มีวันเกิดเขาก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กไปเลี้ยงอาหารเด็กกลางวัน ก็ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายลดค่าหารทางโรงเรียนไปได้มื้อหนึ่งมันเกิดหรือบางคนเขาก็ไปช่วยบริจาค ก, กระดาษดินส อ, อเครื่องเรียนต่างๆหรือ ไ, ไปบริจาคเครื่องเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำได้เพราะโรงเรียนนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายต้องรอรับ ความช่อเหลือของศรัทธาผู้ที่มีความสนใจในการสนับสนุนการศึกษาทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมก็ประกาศให้ทราบก็พอดีมีเรื่องให้พูดก็เลยก็เลยพูดให้ฟังอข้สารไปให้น้องาทดีอ่าทุกคนดีหมดยกมือไหว้เคารพใครมานี่ยกมือไหว้เจอพระนี่ไหว้ทุกคนจะช่วยเหลือกัน มีแปลงกเกษตรช่วยกันปลูกผักปลูกอะไรเพื่อให้หัดรู้จักช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปสอนให้มีอัตตาหิอัตานาวนาโถตอตนเป็นที่พึ่งของตอนค่ะคำถามจากคุณเบญจวรรณค่ะมีคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเพราะท่านจะพาเราไปในทางที่ถูก แล้วเราจะเจอหรือรู้ได้อย่างไรคะว่าใครคือครูบาอาจารย์ของเราเพราะหนูศรัทธาคนยากมากคะ่ะก็ต้องหาแหละเหมือนกับร้านขายทองอนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าร้านขายทองอทองเก๋ทองจริงถามดูมันก็รู้เองลองเสดจดูสมัยนี้มีวิธีหาได้ง่ายๆอพร ะ, ระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขียนอ่างนี้เข้าไปเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเป็นผวงเป็นโหลวเป็น ที่อยากจะรู้จริงไม่จริงก็ต้องไปหาแต่ละองค์ดูไปศึกษาดูแต่ละองค์ต้องศึกษาจากตัวอย่างที่ดีองค์แรกก่อนคือพระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วดูว่าคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าบิณทบาตหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบิณฑบาต ท, ทุกวันพระพุทธเจ้าสอนให้ถือถุดงขวัตฉันในบาเนี่ย ฉันหรือเปล่าฉันได้บาทหรือเปล่าฉันมือเดียวหรือเปล่าอยู่ป่าหรือเปล่าแล้ว อ, อยู่บ้านอยู่เมืองมีกุฏิรู้หลามีพรมมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําอย่างนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาดูนะเดี๋ยวเราก็จะเจอเองนะของยี้มันก็ต้องศึกษาถ้าหาเองไม่ได้ก็มีเพื่อนในฝูงก็ลองถามก็ดู เขียนก็ไปในในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าครูบาอาจารย์ดีๆอยู่ที่ไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนตอบมาเป็นเยอะแยะไปหมดหมดได้ยังค่ ะ, ะค่ะคำถามจากคุณสระสวัสดีถ้าเราทําบุญแล้วมีความสุขเราควรหรือไม่ที่จะคิดถึงความสุขนั้นบ่อยๆหรือควรจะเฉยๆคะ่ะอ่าถ้าคิดแล้วสุกก็คิดไปสิถ้าอยากจะสุกก็คิดถึงบุญที่เราทำํำ ความสุขที่ทาที่ได้จากบุญมันไม่หายเหมือนกับความสุขที่ได้จากซื้อกระเป๋านะซื้อกระเป๋ามามันสุขแค่ตอนซื้อเท่านั้นนะแล้วพอตอนหลังมาดูกระเป๋าที่ได้มันก็ไม่สุขเหมือนตอนที่ซื้อหรอกแต่บุญที่เราไปทำเมื่อปีที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยพอยังคิดถึงมันอยู่ก็ยังสุขขึ้นมาทุกทีเห็นคนที่เขาได้รับความสุขจากเรามีความสุขเราก็เลยมีความสุขคิดทีไรมันก็สุขออกมาอย่างนี้ นี่คือความแตกต่างระหว่างการหาความสุขจากการทำบุญกับการหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆการหาความสุขจากการทำความอยากมันสุขแบบควันไฟได้มาปุ๊บ ก, ก็จ่างหายไปแต่ความสุขไดจากการทำบุญนี่มันยังฝังอยู่ในใจแ ล, ล้วลกถึงมันเมื่อไหร่มันก็ยังโผล่ขึ้นมาให้เรามีความสุขได้คำถามจะคุณโมนา หากว่าผมอยากจะมีพลังและสมาธิให้ผมทํางานที่ทําอยู่ให้มีสมาธิและมีประสิทธิภาพให้สําเร็จบรรลุล่วงผมควรทําอย่างไรครับหรือว่าผมสมาธิสั้นครับเออ่ก็ต้องฝึกสมาธิความจริงคําว่าสมาธินี้ต้องเปลี่ยนเป็นสติต้องฝึกสติเพราะว่าสมาธินี้มันความมันอีกความหมายหนึ่งความหมายจริงของสมาธิคือจิตนิ่งสงบจิตเข้าฌานอย่างนี้กว่าสมาธิ แต่จิตทำงานมีสติเขาเรียกก็ไม่ใช่สมาธิต้องฝึกสติบ่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นเวลาทำอะไรต้องควบคุมบังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทำอยู่แล้วเราจะได้ทำไม่ผิดพลาดเราจะได้ทำอย่างถูกต้องและทำได้อย่างรวดเร็วยังต้องฝึกสติถ้าใจมันลอยก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธ ร, รือบังคับให้มันมากลับมาทางานที่เรากาลังทาอยู่ แล้วต่อไปเราก็จะมีสมามีสติที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างถูกต้องได้อย่างดีคำถามจากคุณออราตั้งใจดูเวทนาเพราะครั้งก่อนทนอาการปวดเข่าและใจกระบนกระไวไม่ไหวหลวงพ่อท่านสอนให้ดับเวทนาในสมาธิโดยการพิจารณากระดูกตรงนั้นพอมาลองทำปรากฏว่าเวทนานั้นไม่รุนแรงเหมือนก่อน แต่สัญญามันเด่นกว่ามันจำได้ว่าหนึ่งชั่วโมงแรกจะปวดมากและแต่ละครั้งมันทนได้ถึงสองชั่วโมงพอสัญญามาทำให้เราเห็นครบทั้ง5้าขันถามหลวงพ่อท่านบอกว่าสัญญาเป็นตัวเดินของทุกตัวท่านอธิบายเร็วเลยไม่เข้าใจคะ่ะก็สัญญาก็คือการดูสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ ดูให้มันรู้ว่ามันเป็นไตลักษให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไตลักษณ pues is. ์เราก็ปล่อยวางมันพอปล่อยวางมันความทุกข์ใจก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายก็จะรู้สึกเบาลงไปแต่ความจริงที่มันเบาลงไม่ใช่เบาที่ทุกทางร่างกายแต่ทุกทางใจที่มาเพิ่มความทุกขทางร่างกายมันหายไปทุกทางใจมัน มันก้าวในสิบส่วนทุกทางร่างกายมันเพียงหนึ่งส่วนพอเรากำจัดความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ก็เลยเหลือเพียงหนึ่งในสิบส่วนคือความทุกข์ทางร่างกายคำถามจากคุณนางชูชูการมีการที่เรามีสมาธิหมายถึงการที่ใจเราไม่คิดเรื่องใดๆเลยหรือเจ้าคะหากเราคิดเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าสมาธิได้หรือไม่ไมเจ้าคะไม้เราเรียกว่าสติ สมาธินี้คือฌานต้องเข้าฌานฌานมีอยู่แปดระดับนะขั้นแรกฌานขั้นที่หนึ่งยังมีความคิดได้อยู่แต่คิดในเรื่องที่เราบังคับให้คิดคือพุโทโธพุธโทโธแล้วตรึกตองตึกอตกองอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไม่ใช่คิดถึงอาหารการกินข น, นมวิ่งเล่นเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ใช่ให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่จะทําให้ใจสงบอืพอเข้าฌานแล้วมันจะคิดแต่พุโทโธพุธโทโธไป แล้วพอมันนิ่งส ง, งบเต็มที่พุโทโธก็หยุดความคิดต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวแม้แต่ร่างกายบางทีก็หายไปด้วยนี่เรียกว่าสมาธิส่วนสติก็คือการควบคุมไม่ให้คิดไม่ว่าเราจะกาลังอยู่ในอิรดียบทใดเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรเราก็อย่าให้มันคิดโดยการใช้คำพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้มันดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ให้มันอยู่กับงานที่เราทํามันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นี่เรียกว่าการฝึกสติแต่เรามักจะใช้คําสมาธิแทนสติกันในงงกันไปหมดเนี่ยภาษาไทยมันเป็นปัญหามากเพราะเราไปใช้หลายความหมายด้วยกันพอมาพูดมันก็เลยสับสนกันไปสติก็เลยกลายเป็นสมาธิไปก็เลยคิดว่าได้สมาธิกันทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ได้เพียงแต่กาลังจเจริญสติเท่านั้นเอง เวทนาก็หลงไปเข็มที่จะเป็นความรู้สึกก็กลายเป็นความสมเพสไปเนี่ยภาษาไทยมันทำํำไปใช้หลายหลายหลายหลายอย่างด้วยกั น, นเลยทําให้เวลาพูดธรรมะเลยไม่เข้าใจว่าพูดเรื่องอะไรกันหมดนะมึงคำถามมาคำถามสุดท้ายค่ะจะคุณน้ําหอมนะคะวิธีการละสัญญาให้ค่อยอ่อนกําลังลงเพื่อไม่ให้กลายเป็นสังขาร